นี่มาดูเนคขมมะบา ร, รมีบ้างในหน้า6กรเพื่อทราบการพิจารณาโทษในการครองเรือนเป็นต้นอย่างนี้ว่าการครองเรือนเนี่ยคับแคบแคบยังไงบอกว่าแคบมากที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะคือถือถ้าเราไปเทียบกับคนคนเดียวกันเนี่ยนะถ้าครองเรือนกับบวชเนี่ยอันไหนจะแคบกว่ากันจะรู้ว่าครองเรือนนี่แคบมันยังมีเรื่องอดึดอัดใจยุ่งใจยอยู่นั่นแหละขณะเดียวกันเป็นทางมาแห่งธุรีคือฝุ่นละออง ละอองคือราคะก็จับง่ายละอองคือโทสะก็จับง่ายละอองคือโมหะก็จับง่ายคนคนเดียวกันเนี่ยนะถ้าถามว่าอยู่ในเพศนักบวชกับอยู่ในเพศของอผู้ครองเรือนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นนักบวชนิเจเริญกุศลได้มากเนี่ยนะจะไปเทียบกับคนอื่นนะต้องเอาเอ า, เอาตัวคนคนเดียวนะั่นแหละเป็นเป็นประมาณขณะเดียวกันเนี่ยนะเพศนักบวชนี่ไม่ใช่เป็นทางไลมาเทมาของราคะโทสะและโมหะ แล้วก็พิจารณาโทษของกามทั้งหลายเป็นต้นว่ากามทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูกแปลว่าไม่มีใครกินอิ่มจริงๆเนี่ยนะเคยเห็นหมาแทะกระดูกไหมบอกเคยแล้วอิ่มไหมไม่อิ่มฉันใดผู้ที่บริโภควัตถุทั้งหลายก็ลักษณะนั้นไม่ได้อิ่มอะไรจริงๆหรอกรู้สึกว่ามันน้ำลายตัวเองแค่นั้นเองทีนี้เดียวกันเนี่ยนะวัตถุ ก, กามทั้งหลายที่เป็นสมบัติของผู้ครองเรือนเนี่ยนะ รัพย์มรดกเหล่านั้นเป็นที่มาแห่งการทะเลาะเบาะแวงกันแม้มารดาก็ทะเลาะกับบุตรแม้บุตรก็ทะเลาะกับมารดาบิดาก็ทะเลาะกับบุตรบุตรก็ทะเลาะกับบิดาพี่ก็ทะเลาะกับน้องน้องก็ทะเลาะกับพี่เป็นต้นก็เพราะกามทั้งหลายทั้งนั้นงั้นเบื้องต้นก็เห็นโทษของวัตถุกามต่อไปก็เห็นโทษของการมฉันทะเห็นโทษของกามะตัญหาตัวตัญหาที่อยู่ในใจเหมือนบุรุษผู้กู้หนี้ มาประกอบการงานมองเห็นกรรมตัณหาเหมือนกับนี่สิลเนี่ยนะ ก, ก็เป็นจริงอย่างนั้นถ้าหากว่าเราติดในสิ่งใดเนี่ยนะก็แปลว่าเรามีนี่เหมือนกับผู้มีนี่กับสิ่งนั้นเนี่ยนะยอมทุกอย่างนะสมมุติถ้าผู้ใดไปกู้นี่กับสมมติว่ากู้นี่ชนิดกู้เท่าไหร่มาเราจะยอมให้แกเหมือนกับอย่างที่เขาว่าประเทศเราแบบยอมกับใครอะ นั่นแหละก็เพราะว่าจะยอมแก่เจ้านี่ฉันใดพวกเราทั้งหลายถ้าเจ้านี่เพราะว่าอะไรนะเราจะยอมหมดจะให้ทำอะไรหรือก็เรียกว่าถ้าเป็นข้อเสนอของเจ้านี่เราจะยอมฉันใดวัตถุใดที่เราชอบมากเราจะยอมทุกอย่างเนยนะงั้นมองเห็นโทษของตันหาว่าตันหาเนี่ยเหมือนกับการกู้ยืมเหมือนกับการกู้หนี้เนี่ยนะผลของการกู้เป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยนะ เห็นอันนี้สอของเนคขมะคือเนคขมะจริงๆและตรงๆและหมายถึงอะไรเนคขมะหมายถึงนิพพานเนี่ยนะเนคขมะหมายถึงนิพพานอุบายที่ทําให้บรรลุนิพพานคือสมถะและวิปัสสนาเพราะสมถะวิปัสสนาจึงเชื่อว่าเนคขมะแล้วอุบายที่จะทําให้เจริญสมถะวิปัสสนาได้ดีคืออะไรคือการบวชเนี่ยนะ ในหน้า277เนี้อธิบายว่าเนคขมมะคือนิพพานสมถาวิปัสนาและบรรปชาเนี่ยนะหน้าสองเนี่ยนะพันก็เห็นอา น, นิสงส์ของการบรรปชาทั้งเริ่มการบวชเพื่อจเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อบรรลุพระนิพพานว่าบรรปชาการบวชนี้เป็นอพภพอการเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะอบรมสังสมถาวิปัสนาเพื่อบรรโลอมตา น, านิพพาน ท่า น, นก็บอกว่าเอาโทษของการครองเรือนเนี่ยนะโทษของการบริโภคการมมีอะไรบ้างบอกว่าไปดูในทุกขกขันธสูตรเรามห ah าทุกขกขันธสูตรกองทุกขที่เห็นเห็นกันอยู่เนื่องจากการสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยนะสงครามในโลกนี้เกิดจากอะไรอ่ะความทะเลาะเบาะแหวงความเดือดร้อนความเร่าร้อ น, อ น, านการประหัตประหารการทะเลาะการด่าชิงดีชิงเด่นเป็นต้นก็เพราะวัตถุการมทั้งนั้นแหละเพราะการมเป็นเหตุเพรว่กรรมเป็นต้นเขามันความเดือดร้อนในโลกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเกิดจาก ตามทั้งนั้นแหละอันนั้นก็คือพิจารณาโทษของการครองเรือนและก็อนิสงของเนคขมมะนี่มาดูปัญญาบ้างปัญญาปัญญานี่สำคัญว่าพิจารณาถึงคุณของปัญญาว่าทำทั้งหลายมีทานเป็นต้นถ้าหากว่าไม่มีปัญญาย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้เอาไม่มีปัญญาเอาอะไรมาให้ทานอแล้วถามว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะจะรู้ไหมว่าอะไรควรให้อะไรไม่ ควรให้เนี่ยนะนะคนไม่มีปัญญาเนี่ย บ, บอกว่าให้ทานนั้นไพร่ไปทําบาปนะนะนะอยากจะทําบุญแต่ว่าไพล่ไปทําบาปเพราะไม่มีปัญญามันอย่างเช่นโอ้ยเลี้ยงเล่าคนอื่นใหญ่เลยอย่างเง้ย น, นะแหมอยากจะให้ทานเลี้ยงเหล้าใหญ่โตเลยนะไปซื้อสัตว์ฆ่าสัตว์เยอะแยะไปหมดเพื่อจะเลี้ยงเหล้าเลี้ยงคนอื่นให้มีความสุขอยากจะทําบุญไพล่ไปทําบาปชนิดที่เรียกว่าแทบจะให้อภัยไม่ได้เลยเยนะนะเพราะไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะนะ พิจารณาถึงคุณของปัญญาต่อไปว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันยากที่จะสําเร็จชั้นใดเหมือนกับสรีระเนี่ยนะ เ, เว้นจากชีวิตก็ไม่งามอะไรก็ตามถ้าหากว่าทําโดยที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เหมือนกับร่างกายที่ปราศจากชีวิตเนี่ยนะคือคือปัญญานี่สำคัญเสมอด้วยชีวิตเพราะอะไรเพราะว่า ร่างกายที่ปราศจากชีวิตก็ไม่สามารถทำปฏิกิริยาอะไรได้รักอย่างหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นเว้นวิญญาณเสียแล้วก็ไม่พอที่จะทำกิจในวิสัยของตนได้เช่นว่าถามว่าถ้าหากว่าตาเป็นต้นเนี่ยนะตาเนี่ยถ้าจักขูวิญญาณไม่เกิดเนี่ยตามีประโยชน์อะไรัหมไม่มีชั้นใดถ้าเราทำอะไรโดยที่ปราศจากปัญญาก็ ฉะนั้นเหมือนตาไม่มีจกักขรวิญญาณเหมือนหูไม่มีโสตะวิญญาณทําอะไรไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ฉันนั้นเนี่ยนะเหมือนปัญญานี้สําคัญมากถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจะให้ทานรักษาศีลหรือจะเจริญปัญญาก็ยากจะอบรมวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานจะอบรมคุณธรรมเหล่าใดก็ถือว่ายากเย็นที่สุดถ้าไม่มีปัญญาก็ลองอ่านหนังสืออ่านแบบไม่มีปัญญาอ่านไม่เข้าใจเนี่ยนะจะอ่านได้สักกี่หน้าเชียวนอ้อเนี่ยนะ นั้นปัญญานี้สําคัญเปรียบเหมือนว่าอินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้นถ้าขาดปัญญาก็ไม่สามารถทํากิจของตัวเองได้อังยินนีกว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้ไหมยากถ้าไม่มีปัญญาจะเลื่อมใสในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไหมหูยากหลังงั้นธรรมะพระพุทธเจ้ายากหลังงั้นกลายเป็นว่าเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีปัญญาก็กลายเป็นว่าไปตําหนิว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้ายากถ้าใรบิดกจากเย็นเหลือเกินแต่ไม่เคยบอกว่าชั้นเนี่ยโง่เหลือเกินเลยนะที่นายได้จริงไม่มีปัญญานี่ยแหละกล่าวแบบไปโทษว่าธรรมะยากเลยนะเพราะว่าไม่มีปัญญาเพราะไม่มีเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีศรัทธาที่จะรู้ความเป็นธรรมดีของพระธรรมถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจเราว่าความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นอย่างไร ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะคิดไหมว่าจะเพียรละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญ บ, า, บางคนนี่ขยันจริงๆเลยนะแต่ขยันเรื่องที่ไม่มีปัญญาเนี่ยน ะ, ะเรื่องอะไรที่ขยันโดยที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งวันทั้งคืนยังไ้นะจบมาด้วยความฟุ้งซ่านว่างั้นยิ่งอ่านยิ่งเรื่อง ย, ง, ยงพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องซะส่วนใหญ่เลยนะเพราะอันนั้นก็ขยันที่ปราศจากปัญญาอ่านแต่เรื่องคนทูสีเป็นต้นเนี่ยนะก็เลย หนักๆเข้าตัวเองก็มาบ่นพวกนั้นก็นึกว่าตัวเองดีนักที่ไหนได้พอๆกันนั่นแหละเขาบอกว่าอะไรนะมันใกล้ๆกันนั่นแหละมันจึงมันสื่อกันได้ค่ามันสื่อกันได้เพราะว่ามันใกล้ๆกันนี่นะพันปัญญาเนี่ยสําคัญสามารถทําให้วิริยะทํากิจทํากิจละบาปแล้วก็ทํากิจบําเพ็ญบุญถ้าไม่มีปัญญาประกอบสติก็ ไม่สามารถทากิจของตนได้เนี่ยนะสติที่ทากิจได้ก็เนื่องจากมีปัญญาคือสัมปชัญญะรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์อะไรเป็นสัปปายะอะไรไม่เป็นสัปปายะบริหารสมถาวิปัสนาให้ต่อเนื่องได้อย่างไรไม่เลอะ เ, เลือนหลงลืมเบลอเป็นต้นก็อาศัยปัญญาเนี่ยนะปัญญานี่แหละเป็นเครื่องอุปการะธรรให้จิตดารงมัน่น พันธุวัตถาวิริยะสติสมาธิถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถทํากิจของตัวเองได้ก็เหมือนกับเหมือนกับรถที่ปราศจากคนขับฉชนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการให้ทานถ้าไม่ไม่มีปัญญาประกอบยากที่จะให้ทานได้สาเร็จถ้าหากว่ากุศลอย่างใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยถ้าไม่มีปัญญา ทำไม่สําเร็จเนี่ยนะจะให้ทานนะจะให้แบบให้ขอทานข้างถนนเนี่ยไม่ต้องประกอบด้วยปัญญาก็ทําสําเร็จแต่ถ้าจะสร้างวิหารทานสักอย่างหนึ่งนะไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยยากที่จะสําเร็จโดยเฉพาะอาภัยทานถ้าไม่มีปัญญาก็ยากจะสําเร็จโดยเฉพาะธรรมทานด้วยเป็นต้นยิ่งต้องอาศัยปัญญามากเลยนะถามว่าถ้าไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเองให้ดํารงอยู่ในคุณคือศีลได้ไหมยากที่จะรักษาศีลได้ถ้าไม่มีปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็ยากที่จะเจริญปัญญาอีกเพราะว่าถ้าไม่มีเชื้อคือปัญญาก็ไม่ต้องการปัญญาอีกเหมือนกันเนี่ยนะจริงอยู่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจักสุอันลืมแล้วให้แม้อวัยวะน้อยใหญ่ของตนขณะเดียวกันเนี่ยความที่ท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านจึงไม่ยกตนและข่มผู้อื่น ค, คือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโดยพื้นฐานของท่านเนี่ยเหมือนกับคนที่ลืมตาปัญญาอยู่ตลอดเวลาลืมตาปัญญาเขาอถ้าคนลืมตาเห็นอะไรเห็นสีฉันใดผู้ที่ลืมตาปัญญาจะเห็นความสม่ําเสมอทางกายวาจาใจความไม่สม่ําเสมอทางกายวาจาใจฉันั้นผู้ที่มีปัญญารู้เลยว่าเส้นทางของแต่ละอย่างนํามาซึ่งอะไรเนี่ยนะด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยสะท้อนแต่ละสิ่งสะท้อนให้เป็นสุจริตหรือ ทุจรตเนี่ยนะปัญญาเนี่ยทำกิจก็จะรอบรู้อย่างนั้นอั้นคนที่ลืมตาปัญญาจะเห็นโลกนี้เห็นโลกหน้าอย่างที่ว่าเห็นประโยชน์โลกนี้แล้วก็เห็นประโยชน์โลกหน้าได้ตลอดสายโดยเฉพา ะ, ะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งได้อย่างไรอันถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็ยากขณะเดียวกันเนี่ยโดยมากผู้มีปัญญาจะเป็นผู้ยกตนของผู้อื่นพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่อาศัยปัญญาเพื่อ ยกตนข่มผู้อื่นแต่มีปัญญาเพื่อจะช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นได้อย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้มีปัญญานี่แหละที่ให้ทานแล้วจึงจะปีติโสมนัสในการสามได้สําเร็จถ้าไม่มีปัญญาประกอบก่อนจะให้ทานก็วิตกกังวลให้ทานด้วยความหงุดหงิดให้เสร็จแล้วก็รําคาญนะนะให้เสร็จแล้วก็เดือดร้อนใจว่าไม่น่าให้เลยเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าทานอ น, นั้นไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้าทานใดที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะปีติโสมนัสในการสามเพราะค ร, คร้ครวนพิจารณาโดยรอบครอบแล้วก่อนให้จึงได้ให้ขณะที่ให้ก็ญาณสัมประยุทธ์ประกอบรู้ว่าประโยชน์ที่เกิดจากการให้เป็นอย่างไรเมื่อให้เสร็จแล้วก็ตามระลึกด้วยความปราบเพิ่มปีติเนี่ยนะขณะเดียวกันการให้ทานของท่านนั้นะจึงโสมนัสได้แม้กระทั่งในการสาม ปัญญาของท่านก็ปราศจากการกำหนดเป็นปัญญาที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยนะแปลว่าเป็นปัญญาที่กว้างขวางอย่างยิ่งจึงอยู่การบริจาคเนี่ยนะโดยประกอบด้วยความฉลาดในอุบายด้วยอนุภาพของปัญญาย่อมเข้าถึงความเป็นทานบารมีเพราะทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเนี่ยนะเพราะว่าทานเป็นเช่นกับกาไรที่เป็นประโยชน์แก่ตน คือการให้ทานเนี่ยมันมันมันประโยชน์สองอย่างนี่เห็นเห็นเลยของพระโพธิสัตว์นะหนึ่งของที่ให้ไปเนี่ยผู้อื่นได้รับประโยชน์ทันทีผู้อื่นได้รับประโยชน์เอาไปใช้ได้จริงอย่างที่หนึ่งอันน่ะเห็นเห็นเลยแต่ที่จริงอะ่ะท่านต้องการอะไรท่านต้องการกำไรที่เกิดจากการให้กำไรแปลว่าอานิสงส์ที่เกิดจากการให้ว่าตัวให้เจตนาที่ให้เป็นฐานให้สมโพธยานเกิดขึ้น เป็นเหตุให้บรรลุสัมโพธิญาณท่านจึงไม่เบื่อหน่ายในการให้เพราะให้ผู้อื่นเท่าไหร่ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์เท่านั้นขณะเดียวกันตัวเองก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปเห็นประโยชน์ทันทีเลยด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาบอกว่าอุย้ยให้ทานเสียเปล่าห่วงกันเสียเปล่าเนี่ยนะอุตสาหามาแทบตายเอามาให้คนอื่นโมดเนี่ยนะเดือดร้อนเสียดายเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะเสียดายไปทวงเอาคืนเนี่ยนะให้ได้ยังไงเนะี่ยไปตามเอาคืนเลย แต่พูดถึงอย่างนี้นะที่จริงไม่ควรเล่าตรงนี้หรอกแต่ว่ามันมีตัวอย่างเขาเนี่ยนะไปอ่านในชาดกไปเรื่องหนึ่งในกุสราชาดกพระเจ้ากุสราชนี่ก็คือพระโพธิสัตว์นั่นแหละเกิดมาชาตินี้รูปไม่หล่อเลยนะเขาเรียกว่าเห็นปั๊บเนี่ยว่าอุย้ยยักษ์เดินได้เหมือนกับยักษ์เดินได้คือเป็นคนที่มีรูปร่างน่าเกลียดมากเนี่ยนะนะเขาบว่าเรื่องเป็นยังไงบอกเรื่องมีอยู่ว่าอดีตชาตินี่มีพี่น้องสองคน พี่น้องชายสองคนแล้วก็พ่อแม่ก็จับพี่ชายคนโตเนี่ยแต่งงานก็แต่งงานกับผู้หญิงอีกบ้านหนึ่งใกล้ๆกันนั่นแหละก็แต่งงานทีนี้อน้องชายนี่ก็ไปทำไอ้น้อ ง, น, องน้องเรนะียกอะไรน้องเขยนะน้องน้องเขยก็ไปทํางานในป่าไอพี่สะพ้ายคนนี้ก็ทอดขนมทอดขนมเป็นก้อนๆเนี่ยนะทอดขนมเสร็จเอาไว้ให้ตัวเองก้อนหนึ่งเอาไว้ให้น้องเขยอีกก้อนหนึ่งไอก้อนที่เหลือไม่ได้พูดถึง เสร็จแล้วก็ตัวเองก็ทอดเสร็จก็เออทานให้ทานเรียบร้อยเลยก็เหลือก้อนหนึง่งก้อนที่ให้น้องเขยนั่นแหละพอดีพระประเจอุ้มบาดมามายืนบิณฑบาตต่อหน้าเออเอางี้นะเอาของน้องเขยใส่บาดก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวค่อยทอดให้ใหม่พอดีกําลังใส่บาดอยู่นั่นแหละพระประเจก็อยู่ตรงนั้นแหละน้องเขยก็มาจากป่าก็บอกว่าน้องเออเธ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อทําใจให้ดีใจให้ปีติโสมนะเธอเนี่ยขนมของเธอใส่บาดอยู่แล้วเนี่ยนะ พระโพ ธ, ธิสัตว์ฟังแล้วโกโรธเลยนะแหมตัวดีอย่า ง, งั้นของตัวเองแล้วกินทั้งหมดเลยนะเอาของคนอื่นใส่บาทได้ยังไงเนะี่ยโกโรธมากก็เลยไปเอาของในบาทเอามาคืนนะเอามาคืนามาเก็บไปพี่สะพยนี่โกโรธมากเลยนะว่าน้องเคยตัวเองเอน้องน้องผัวน้องผัวไม่น่าทาอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยไปไปเอาเนยใส่มาจากบ้านมาใส่บาทเพราะเห็น เนยใสๆในบาดมันออกเป็นรัศมีงามก็อธิษฐานนะขอให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีงดงามที่เรียกว่าสู้ใครงามเท่าไม่ได้เสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขออย่าได้ไอ้หาเจออย่าเจอคนเลวคนพานแบบนี้อีกต่อไปเลยเนี่ยนะนี่พระโพุทธศาสนาก็เอาขนมนั่นแหละไปใส่บาดอธิษฐานว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามขอเอาพี่สะพายเนี่ยตามกลับคืนมาให้ได้เพราะ ง, างั้นอีกชาติถัดไปเนี่ยนะก็กะเหตุประชดถัดไป หลังจากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรกันเบ็ดเสร็จก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไอ้น้องเขยก็คือพระโพธิสัตว์นี่แหละเกิดมาเนี่ยวูดรูปไม่งามเลยแต่ว่าฉลาดมีปัญญาฉลาดถึงขนาดเรียกว่าไม่ต้องเห็นอะไรก็ทําเป็นหมดเลยไม่ต้องเรียนเนี่ยนะฉลาดขนาดนั้นเรียกว่าพระเจ้ากุศลนี่เนะทนี้พี่สะพ้ยก็มาเกิดเป็นลูกสาวของพระราชาอีกเมืองหนึ่งเรียกว่าพระนางประภาวดีเขางนันชาตินั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็รู้ตัวเกิดมาหน้าตาอย่างนี้เนี่ย ผู้หญิงคนไหนเห็นก็จะชอบเราเนาะก็ลเลยบอกว่าถ้าเห็นก็คงไม่ชอบไม่เอากับเราแน่นอนยังไงก็เออเดี๋ยวพ่อแม่สิ้นพระชนนะก็บวช ด, ดีกว่าเพราะงั้นรูปร่างน้าเกียดเหลือเกินเนี่ยนะก็รู้ตัวดีเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ขยันขยอกสมครั้งครั้งที่สีก็เลยตัวเองเนี่ยเอาเอาทองคำเนี่ยมาปั้นเป็นรูปทองบอกว่าจริงจก็จะแกล้งพ่อแม่นั่นนะแะแล้วก็ปั้นทองเนี่ยสวยมากบอกว่าถ้าหาผู้หญิงได้สวยขนาดนี้เนี่ยจะแต่งถ้าไม่งามขนาดนี้ไม่แต่ง เสร็จแล้วก็ไปหาไปหามาก็ไปเจอนางประภาวดีที่นี้แม่เนี่ยนะแม่ของพระโพธิสัตว์รู้ว่าถ้าหากว่ามาให้เห็นกันตอนกลางวันเนี่ยนางกลับบ้านแน่เหมือนกันก็เลยให้อยู่กันแต่กลางคืนในที่สุดก็ตอนกลางวันในที่สุดก็วังอุบายจนรู้กันเจอกันนางหนีกลับบ้านจริงๆนี้กลับวังตัวเองก็ไปตามงา อ, อยู่เจดเดือนเนี่ยนะเจเดือนจนพระอินมาช่วยจึงก็ได้อยู่ร่วมกันคืนอีกที แต่ว่านางประภาวดีก็คือมารดาพระาหุนนั่นแหละแต่นี้ที่จะเล่าจริงก็คือเล่าว่าบางชาติเนี่ยนะเขาใส่บาปเสร็จแล้วตัวเองก็ยังกโกรธไปเอามาเนี่ยไอชาตินั้นเนี่ยโอ้ยนาเกลียดมากนะเพราะว่ากโกรธใช่ไหมผลของความโกรธเนี่ยนะโกรธจนเขาเรียกว่าใครไม่อยากเห็นด้วยซ้ําไปเนี่ยนะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันลําบากอย่างนั้นนะนั้นใครอยากงามก็อย่าไปโกรธอะไรให้มากมายเพราะว่า หน้าตอนโกโรธนี่มันงามัม้ยก็ทำเหตุอย่างใดก็จะได้รับผลเช่นนั้นนั่นแหละนี้ต่อไปว่าปัญญานี่เป็นเหตุให้ให้ทานเนี่ยเพราะว่าผู้มีปัญญาจะรู้จักว่าให้ทานอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอ น, นิสง์มากให้ทานอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้สำเร็จเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความปีติและโสมนัสขณะเดียวกันเนี่ยนะปัญญาก็เป็นเหตุให้รักษาศีล อันหนึ่งความบริสุทธิ์แห่งศีลโดยไม่ปราศจากความเศร้าหมองด้วยอำนาจตันหาเป็นต้นย่อมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาคือผู้ที่มีปัญญาเนี่ยสามารถจะรักษาศีลไม่ให้แปดเปเื้อนด้วยตันหามานะและทิฐิไม่ให้แปดเปเื้อนด้วยอุปกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายฉั้นถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลให้บริสุทธิ์สิ่งที่รองรับสัพพันญูจักมีได้จากที่ไหนเนี่ยนะมีไม่ได้หรอก อันนี้พั ญ, ญานี่เป็นเหตุให้รักษาศีลปัญญารู้ว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่รองรับสัพพัญญุตยานเนี่ยนะรองรับพระพุทธคุณทั้งหลายนี่ต่อไปว่าผู้มีปัญญานี่แหละจึงจะเจริญเนคขมมะบารมีได้ว่าผู้มีปัญญาเท่านั้นเห็นโทษในการครองเรือน สามารถที่จะสละกามคุณเนี่ยนะคือเห็นโทษในการครองเรือนเห็นโทษในการมคุณเห็นโทษในสังสารวัฏผู้มีปัญญานี้จะเห็นอานิสงค์ของการออกบวชจะเห็นอานิสงค์ของฌานสมาบัติผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะเห็นอนิสงค์ของพระนิพพานเมื่อมีปัญญารู้อะไรเป็นโทษอะไรเป็นอนิสงค์อย่างนี้ก็ออกบวชเจริญฌานสมาบัติมุ่งหน้าต่อพระนิพพานขณะเดียวกันก็ยังสามารถแนะนําให้คนอื่น ดำรงอยู่ในฌานได้เนี่ยนะดำรงอยู่ในฌานสมาบัติได้เฉะนั้นปัญญานี่แหละเป็นตัวทํำกิจให้ตัวเองสามารถเจริญฌานได้แล้วก็แนะนําคนอื่นให้เจริญฌานต่อไปทีนี้ต่อไปปัญญานี้เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อวิริยะบารมีว่าถ้าไม่มีปัญญาสามารถที่จะทําความเพียรได้ไหมเพราะความเพียรเนี่ยเกิดไม่ได้ถ้าปราศจากปัญญาเพื่อนี้จะขยันโง่ก็บอกว่าน่ากลัวมากที่สุดคือคนโง่และขยันเนี่ยนะ เชื่อไหมนะเครื่องเสียงเสียไปให้คนไม่เป็นซ่อมให้สิเละเลยเนี่ยนะอะไรก็ตามเอถอะแต่ว่าคนไม่เป็นเนี่ยทำอะไรมันเละหมดนั้นความเพียนของผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยนะมันทําอะไรไม่ได้ถ้าลองลองใช้คนโง่ให้ไปทําอะไรให้ดูสิ น, น, นะเฉพาะงานสําคัญสําคัญเนี่ยนะให้คนโง่ทําออเดือดร้อนตลอดเลยนะท่านถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะความเพียรก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จปัญญานี้เป็นเหตุให้ เพียรแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยนะพันโง่ขยันนี่เดือดร้อนที่สุดเลยเนี่ยนะพั้นปัญญานี้เขาบอกว่าการไม่เริ่มยังประเสริฐกว่าการเริ่มไม่ดีแปลว่าขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยนะถ้าขี้เกียจแบบคนไม่เป็นแล้วขยันกับขี้เกียจ ด, ดีกว่าเนี่ยนะถ้างโง่นะไม่ต้องทําอะไรมันดีที่สุดถ้ายิ่งทํามากยิ่งเสียหายมากพาะ ถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมอันประเสริฐได้หรอกวันปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เจริญคุณงามความดีเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะว่าปัญญาเป็นเหตุแห่งขันติบารมีว่าผู้มีปัญญานั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่อความเสียหายที่ผู้อื่นทำให้ คือบางทีเนี่ยนะเมื่ออยู่ในโลกเนี่ยบางทีก็ไปประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคนอื่นเขาสร้างความเสียหายให้โดยประการต่างๆเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะตะบะแตกว่ากั้นเตะเพราะนนั้ปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้อดกลั้นสามารถทําให้มีขันติรักษาขันติต่อไปได้เพราะว่าผู้มีปัญญาสามจะไม่สามารถจะมีขันติหรืออดทนได้เนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นแหละเขาจึงมีความอดทน ตอผู้ที่นําความเสียหายมาให้เพราะว่าความเสียหายที่ผู้อื่นนําไปให้แก่ผู้ปราศจากปัญญาย่อมเพิ่มพูนความเป็นปฏิปักษต่อความอดทนคือคนที่มีปัญญาเนี่ยนะคนอื่นสร้างความเสียหายให้เท่าไหร่เนี่ยนะปัญญาเขาจะบอกเลยว่าดูซิว่าคุณภาพของความอดทนจะขนาดไหนคือยิ่งคนอื่นเ้าสร้างความเสียหายให้เท่าไหร่ปัญญาบอกว่าดีจะได้ศึกษาเรื่อง ขันติว่าจะมีขันติสักแค่ไหนจะรักษาขันติได้ไหมจะเพิ่มพูนขันติบารมีเป็นต้นได้ไหมมันก็เพราะปัญญานี่แหละทำให้สามารถที่จะรักษาขันติไว้ได้ไม่รู้จะอดทนไปทำไมนะถ้าไม่คนไม่มีปัญญาไม่เห็นกําไรที่เกิดจากการเจริญกุศลเนี่ยนะมันก็เลิกเลย เพื่อความมั่นคงแห่งขันติเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความมั่นคงของขันติด้วยการเพิ่มพูนทำให้ขันตินี้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปทีนี้สัจจะนี้บางทีก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันนะสัจจะบารมีผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้สัจจะสาประการคือวจีสัจจะเนี่ยนะพูดคาจริงญาณสัจจะญาณสัจจะเรียกว่าปัญญาที่รู้ความจริงแล้วก็อริยสัจจะ ปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะรู้วจีสัจจะยาณสัจจะอริยสัจจะเนี่ยนะรู้ความจริงทั้งหลายถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะเข้าถึงวจีสัจจะได้ไหมบางคนพูดจริงอะ่ะแต่พูดจริงแบบไม่มีปัญญาอะไรเกิดขึ้นก็บอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดจริงพูดผิดการพูดผิดสถานที่พูดผิดเวลาเป็นต้นเนี่ยนะพูดในเวลาที่ไม่เหมาะสมใช้คาไม่เหมาะตายเนี่ยนะ ปัญญานี้จะทําให้รักษาวจีสัจจะรักษาญาณสัจจะคือรักษาเพิ่มพูนสติปัญญาปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะคนที่มีปัญญานี่แหละสา ม, มารถที่จะรักษาความจริงไม่กล่าวความจริงให้ผิดพลาดคือคนไม่มีปัญญาเนี่ยนะอธิบายอีกอย่างหนึ่งคนอื่นไปเข้าใจอะไรอ่ะจะพูดความจริงอีก อ, อย่างหนึ่งคนอื่นเผลไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งพูดอีกซ้ายมันคนฟังฟังเรื่องขวาอย่างไงนะ พูดง่าคนฟังฟังเป็นหลังเป็นต้นเพราะไม่มีปัญญาในการใช้คําพูดปัญญานี่เป็นตัวที่สําคัญทําให้คําพูดหรือว่า ว, าวาจีสัจจะยาณสัจจะหรือว่าปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้กล่าวอริยสัจจะได้อย่างไม่ผิดพลาดถ้าไม่มีปัญญาเนาะพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งงงถ้าไม่พูดเลยมันจะสบายใจดีเหมือนกันบอกว่าคนไม่มีปัญญาเนอะถ้าพูดน้อยๆหน่อยจะดีต่อไปนะอธิษฐาน อันหนึ่งผู้อุปถัมตนด้วยกําลังปัญญาผู้ตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในบารมีทั้งปวงด้วยการถึงพร้อมแห่งปัญญาแปลว่าปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้อธิษฐานบารมีมันมั่นคงถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะตั้งใจจริงแต่ว่าพอคนอื่นพูดซ้ายพูดขวามีอะไรสักนิดนิ ด, นดหน่อยแปลหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าปัญญานี่เป็นตัวทําให้อธิษฐานนบารมีมีแต่ความ มั่นคงปัญญาทำให้อธิฐานบารมีไม่วันไหวไม่เอ็นเอียงไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเพราะว่าตั้งใจจะเจริญกุศลใดๆอนุภาพของปัญญาเป็นตัวที่ทำให้รักษาความตั้งใจเหล่านั้นในการเจริญกุศลโดยไม่ผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงต่อไปปัญญาเป็นเหตุให้บำเพ็ญเมตตาบารมีว่าปัญญาเท่านั้นแหละทาให้ไม่แบ่งแยกวันนี้เป็นคนที่เรารักนี้เป็นคนกลางๆงนี้เป็นศัตรู อนุภาพของปัญญาทำให้ไม่แบ่งแยกสามารถในการนำประโยชน์เข้าไปให้ในคนทั้งสามกลุ่มทั้งคนที่รักคนที่เป็นตาลกลางหรือคนที่เป็นศัตรูด้วยอนุภาพของปัญญาจัดแจงประโยชน์ได้ถ้าไม่มีปัญญาเนะเออนี่คนที่เราชอบให้มากอันนี้คนกลางกลางให้สักตอนนี้ศัตรูไม่ให้เลยเป็นต้นเนี่ยไม่ผู้ที่มีปัญญาจริงๆจะไม่ไม่เลือกไม่เว้นแบบนั้นปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ ฉลาดในการนําประโยชน์เข้าไปให้แก่คนที่เรารักไปให้คนที่เป็นกลางๆและแม้กระทั่งให้สําเร็จแก่ผู้ที่เป็นศัตรูเนี่ยนะคือผู้ที่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยดูนะพระเทวทัตเป็นศัตรูใช่ไหมแต่โดยพูดแบบรวมๆนะและพระพุทธเจ้าวางแผนช่วยศัตรูได้ตลอดเนี่ยนะในที่สุดก็ศัตรูก็ประสบความสําเร็จโจนองค์ครีมานเนี่ยไลยด่ดาบเที่ยวฆ่าพระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็ช่วยองค์ครีมาได้ สำเร็จเขาบอกว่ามีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล น, นั้นมีศัตรูเป็นบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะพระองค์มีปัญญาที่จะช่วยเหลือแม้กระทั่งว่าผู้ที่พระองค์รักที่สุดเนี่ยใ น, ในอดีตพระองค์ก็ช่วยเขาสำเร็จคนกลางกลางคนทั่วๆไปพระองค์ก็ช่วยเขาศัตรูของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ช่วยสรุปว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เนี่ยนะถือว่าช่วยได้เกือบรอยเปอร์เซต ที่ช่วยไม่ได้มีนิดคนสองคนไม่กี่คนเท่านั้นแหละแต่โดยมากพระองค์ช่วยเขาได้เนี่ยนะหรือไม่อยา่างใดอย่างหนึ่งอนุภาพของปัญญาพราะองค์ไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาโดยประการทั้งปวงนี่สุดท้ายบอกว่าปัญญานี่เป็นปัจจัยที่สาคัญต่ออะไรอุเบกขาบารมีว่า คนที่จะวางใจเป็นกลางโดยไม่ผิดปกติในโลกธรรมไม่ว่าจะลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะจะรักษาความเป็นกลางได้ไหม ย, ยากเพรัะผู้ที่มีปัญญาจะรักษาความเป็นกลางไม่ว่าจะในลาบหรือเสื่อมลาบในยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขแล้วทุกพันธุ์อนุภาพของปัญญานี่แหละทําให้วางใจเป็นกลางใน โลกธรรมทั้งหลายคือไม่ตกในอภิชาและโทมนัตดารงอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะนั้นอุเบกขาบารมีที่ดํารงได้เป็นไปได้ก็อนุภาพของปัญญาสรุปว่าปัญญาเท่านั้นเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ของบารมีทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรพิจารณาคุณประโยชน์คุณอนิสงค์ของปัญญาอีกอย่างหนึ่ง เว้นจากปัญญาทัศนสมบัติทัศน์แปลว่าการเห็นสมบัติแปลว่าความสมบูรณ์เนี่ยนะการเห็นด้วยความสมบูรณ์เช่นกรรมสกตาปัญญาเป็นต้นเ น, นี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจะรู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นต้นได้ไหมจะมีทัศนสมบัติรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเป็นต้นไหมบอกมีไม่ได้ถ้าเว้นทิ่ถิสัมปทาเช่นกรรมมศกาตาสัมปทาเป็นต้นถ้าไม่มีกรรมมศกตาจะรักษาศีลได้ไหม ศีลจะสมบูรณ์ได้ไหมจะรักษาศีลได้ไหมศีล ก, ก็มีไม่ได้คนที่ไม่มีปัญญาไม่มีศีลสมาธิสัมปทาก็มีไม่ได้ผู้ที่ไม่มีสมาธิสัมปทาคือใจไม่ตั้งมั่นทำประโยชน์ตนให้สำเร็จได้ไหมไม่ได้ทำประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จได้ไหมไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ผู้อื่นหรอกพันพระโพธิสัตว์ท่านจึงสอนตนว่าควรทาความเพียรในการเจริญปัญญาโดยเคารพไม่ใช่หรือ ท่านจะต้องตั้งใจเพื่อเพิ่มพูนปัญญาเพราะถ้าท่านมีกรรมสกตาปัญญาท่านสามารถทําศีลให้บริบูรณ์ถ้าท่านมีศีลมีปัญญาบริบูรณ์สมาธิท่านก็จะมีได้เมื่อท่านมีสมาธิมีใจตั้งมั่นท่านก็จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจเจริญปัญญาเถอะอะไรที่จะดีมีค่ามีประโยชน์ยิ่งกว่าปัญญาไม่มีอีกแล้วปัญญานี้เป็นเหตุให้ บำเพ็ญเพิ่มภูมิบารมีทั้งสิประการได้สําเร็จพระโพธิสัตว์นั้นตั้งมั่นในอธิษฐานธรรมสี่ด้วยบุญญาณุภาพเนี่ยนะอธิฐานธรรมสีเนี่ยปัญญาเป็นหนึ่งในอธิฐานธรรมสี่ประการอธิฐานธรรมสี่ประการก็คือปัญญาทีฐานจารคาธิฐานสัจจาธิฐานและอุปสมาธิฐานเนี่ยนะปัญญาก็เป็นอธิษฐานธรรมท่านจึงดํารงมั่นอยู่ใน ปัญญาที่ฐานคือตั้งมั่นอยู่ด้วยอนุภาพของปัญญาความที่พระองค์มีปัญญานี่แหละจึงสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยสังขาวัตถุสี่ประการไม่ว่าจะเป็นทานปิยวาจาอัตจริยาหรือสมานตตาตาเนี่ยนะอนุภาพของปัญญานี่แหละทาให้ทําสังขาวัตถุสงเคราะห์แก่สัตว์โลกอนุเคราะห์สัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้ อนุภาพของปัญญาของพระโพธิสัตว์นั่นแหละจึงสามารถทําสัตว์ทั้งหลายให้อย่างลงในมัคคาอันเป็นนิยานิกรรมนําสัตว์ออกไปจากวัตทุกข์ได้ก็เนื่องจากดํารงอยู่ในอธิฐานธรรมสี่มีปัญญาที่ฐานเป็นต้นแล้วก็สังฆะวัตถุสี่มีฐานเป็นต้นจึงช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตทุกข์ได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะความที่ท่านมีปัญญาท่านจึงยังศรัทธา วิริยะสติสมาธิและปัญญาของสัพพะสัตถ์ทั้งหลายให้เจริญงอกงามอีกอย่างหนึ่งพึงกำหนดคุณณนะประโยชน์คุณอ น, นิสงค์ของปัญญาเป็นต้นว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้มากในการคนา้นคว้าขันอายตนะธาตุสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทและด้วยกำลังของปัญญานี่แหละจึงรู้ปวัตตะคือทุกขสัตสมุทัยสัตว์รู้นิวั ต, ตะ นิโรสัจจะมัคสัจจะตามความเป็นจริงคือปัญญาเนี่ยนะเป็นเหตุให้ค้นคว้าขันอายตนะธาตุสัจอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจอริยสัจทั้งปวัตตการเป็นไปนิวัตะการทวนกลับการทวนกระแสราะฉนนั้น อ, นอนุภาพของปัญญาเนี่ยทำให้วิจัยเลือกเฟ้นในภูมิของปัญญาขณะเดียวกันอนุภาพของปัญญานี่แหละทาให้แนะนําคุณประโยชน์มีการให้ทานเป็นต้น ทำให้การให้ทานก็จะเป็นทานที่วิเศษภักยะเป็นทานที่จเจริญยิ่งขึ้นไปนน ะ, อ, ะอนุภาพของปัญญานี่แหละทำให้รักษาศีลก็เป็นศีลที่เป็น วิเศษภากคียสมาธิที่เป็นวิเศษภากคยะเป็นปัญญาที่เป็นวิเศษภาคยะวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาหรืออุเบกขาที่เป็นวิเศษภากคยะเพราะคุณธรรมทั้งปวงของพระโพธิสัตว์ท่านเจริญประเภทวิเศษภากคยะมีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดีนะ๋อันนี้ก็เป็นอนุภาพของปัญญาอันนี้วิธีการพิจารณาคุณอ น, นิสง์ประโยชน์ของบา ร, รมีทั้งหลายว่า คุณประโยชน์อ น, นิสงค์ของการสร้างบารมีนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นปัญญาตัวนี้แหละเป็นตัวพิจารณาการพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมีคุณประโยชน์ของการสร้างบารมีก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแก่บารมีนั้นก็วันนี้ก็ได้เฉพาะทานศีลเนคขมะและปัญญาต่อไปก็จะเป็นวิริยะซึ่งเป็นครั้งต่อไปวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้